เล่าเรื่องอกุศลธรรมหรือกิเลสมันก็มีประโยชน์นะสามารถเอามาใช้เพื่อทําให้เกิดกุศลธรรมหรือการพ้นจากความทุกข์ได้อย่างที่เขาเรียกว่าใช้ตัณหาและตัณหาใช้มานะและมานะในทางกับกันเนี่ยกุศลธรรมก็สามารถที่จะ ทำให้เกิดอกุศลธรรมก็ได้ถ้าไปเกี่ยวข้องกับมาไม่ถูกต้องหรือใช้ไม่เป็นอย่างพระจาตรัดว่ายญ้าคาเนี่ยหากจับไม่ดีก็บาดมื อ, อพรมจรรย์ถ้าเกี่ยวข้องไม่ถูกต้องนะก็สามารถจะพาไปนรกหรืออบายได้พรมจรรย์นในที่นี้ก็หมายถึง ทางในงแง่ของการเป็นนักบวชหรือว่าการมีศีลมีสมาธิมีปัญญาหรือว่าการใช้ชีวิตอันประเสริฐหรือผู้ง่ายคือการปฏิบัติธรรมนั่นเองการบวชนี่ก็ถือเป็นเป็นของดีของประเสริฐแต่ถ้าบวชแล้วเนี่ยเกิดมีลาภสักการะมาผู้คนศรัทธานับถือ แล้วก็ลงในลาบสักการะนั้นลงในคำสรรเสริญก็อาจจะเสียผู้เสียคนได้เพลิดเพลินในลาบสักการะแล้วก็เลยไม่นอกจากไม่ฝึกฝนตนแล้วนี่ก็ทำให้กิเลสเพิ่มพูนมากขึ้นจนกระทั่งทำในสิ่งที่ ผิดไม่ถูกต้องฝ่าฝืนวัรมวินัยอันนี้ก็แทนที่จะเป็นของดีก็พาไปสู่อบายความเสื่อมได้หรือว่าถึงจะไม่หลงในลาบสักการะนะแต่ว่าเกิดมีความยึดติดในการปฏิบัติของตัวก็ ทำให้เกิดปัญหาหรือการทะเลาะวิวาทกันขึ้นได้อย่างเช่นในสมัยพุทธกาลนี่ก็มีเหตุการณ์ที่พระทะเลาะกันอยู่หลายครั้งนะก็เป็นพระที่เรียกว่าเป็นพระที่ดีนะคือไม่ได้ทำตัวผิดวินัยไม่ได้มีความมักมากในลาบสักการะนะแต่ว่ามีทิฏฐิแล้วก็มานะ ยึดติดถือมั่นในความเห็นหรือในการปฏิบัติของตัวอย่างเช่นพระธรรมกัทถก็ขัดแย้งทะเลาะ ก, กับพระฝ่ายที่เชี่ยวชาญในภาวินัยจกนกระทั่งพระพุทธเจ้าก็ห้ามไม่อยู่ต้องเสด็จไปเข้าไปในป่าเลยจกนกระทั่งชาวบ้านาทัดไม่ได้นะก็ต้องมาจัดการ ในขณดผู้เจ้าก็ยังห้ามไม่ได้สอนก็ไม่ฟังนะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีทิฐิมันนะถ้าเหล่านั้นก็เชื่อในความในของตัวเชื่อในการปฏิบัติของตัวอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัตินะเกี่ยวข้องกับความดีไม่ถูกต้องมันก็ทำให้เกิด กิเลสขึ้นมากิเลสมั น, มนมไม่ใช่มีแค่เฉพาะตัณหารนะหรือความอยากได้อยากมีอยากเป็นแม้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแต่ว่าก็อาจจะมีอีกกิเลสตัวอื่นมาแทนก็ได้เช่นมันนะความถือตัวพระบางลูกก็มีความเคร่งในการปฏิบัติวินัยก็ก็เรียบร้อยนะถ้าหาว่า วางใจไม่เป็นนะให้ความดีที่ทำก็อาจจะส่งผลตรงกันข้ามก็คือทำให้เกิดความหลงตัวลืมตนข่มผู้อื่ น, นดูถูกว่าคนนี้ไม่เคร่งเหมือนฉันเลยคนนี้ไม่ขยันในปฏิบัติธรรมเหมือนฉันเลยอันนี้ก็กลายไปว่าทำให้มองคนเป็นลบไปหมดหรือว่าทาให้เกิดความ ทำให้กิเลสเพิ่มพูนมากขึ้นความอยู่ง่ายกินง่ายความสมถาก็ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าไปยึดติดปลนะ่อยให้มันมันก็จะกลายเป็นอาหารของอัตตาได้เป็นอาหารของกิเลสนะความดีนะมันสามารถเป็นอาหารของกิเลสได้นะกิเลสตัวที่ชื่อมาณทิติทำให้ดูถูกคนอื่น มองคนอื่นไม่ขึ้นเพราะเห็นว่าเขาแย่นะสู้ชั้นไม่ได้คนที่ทำความดีนี่ก็ต้องระมัดระวังแม้แต่การศึกษาธรรมะก็เช่นเดียวกันนะศึกษาธรรมะผูดเจ้าเนี่ยไม่ได้พูดว่าไม่ได้พูดเพียงว่าเงินเป็นอสสระพิษเท่านั้นนะแต่ว่าอย่างจัดว่า การศึกษาธรรมนี่ถ้าศึกษาไม่ถูกนี่ก็เป็นอสสรพิษไนดะ้เหมือนกันอย่างการศึกษาธรรมเพื่อเพื่อจะได้ไปข่คมคนอื่นหรือว่าเพื่อที่จะได้เป็นเครื่องป้องกันตัวไม่ให้ใครมาเถียงมาเอาชนะตัวเองได้อันนี้ก็พระเจ้าก็เพื่อมมันก็ว่าจับงูพิษนะจับงูพิษจับไม่ถูกต้องนะก็โดนงูพิษมัน ถึงตายได้ธรรมานี่หรือการศึกษาธรรมนี่ก็เปรียบเหมือนกับการเมืองูพิษนะก็ต้องเกี่ยวข้องให้ถูกต้องถ้าเกี่ยวข้องไม่ถูกต้องก็เหมือนกับการจับงูพิษไม่ถูกก็เป็นอันตรายนะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องระมัดระวังนะเพราะว่าเวลาทําความดีหรือว่า ทำสิ่งที่เป็นกุศลนะก็ต้องมีสติมาตรวจสอบดูจิตใจของตัวเองตลอดเวลาเพราะว่ามันสามารถที่จะทําให้เกิดกิเลสเกิดตัณหามานะทิฐิได้ทั้งนั้นหลายคนก็มีความเพ่งครัดในศีลนะคนหนึ่งก็ถือศีลห้านะัน ถือศียแปหรือว่าคนอื่นยังกินเนื้ออยู่ฉันกินมังสวิรัติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วมันช่วยลดละขัดเกลาแล้วก็ช่วยให้ไม่ไปเบียดเบียนใครแต่ว่ามันก็อาจจะเปลี่ยนมันก็ยากาเช่นเดียวกันถ้าจับไม่ถูกต้องก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ทำให้ไปดูถูกคนอื่น หรือว่าอาจจะอิจฉาคนอื่นก็ได้นะเห็นคนอื่นเขาเขาถือสินเคร่งกว่าเราเราอุตส่าห์ซื้อถือศีนแปนี้มีคนก็ถือสีนสิบนะก็ไม่จับเงินหรือว่าเขาเราขยันแล้วนะไอคนอื่นขยันสู้เราไม่ได้นะแต่ว่ามีคนเขาขยันกว่าเราก็อิจฉาเขาทำความดี แล้วเกิดหลงติดดีนั้นนะมันก็ทําให้อิจฉาคนได้อิจฉาคือคืออิจฉาคนที่ดีกว่าเราคนที่เก่งกว่าเราคนที่เคร่งกว่าเราคนที่ขยันกว่าเราอิจฉาแล้วก็เลยหาข้อหาข้อจับผิดแล้วก็มีข้อผิดตรงไหนนะก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะกลับมาดูตัวเองก็คอยจ้องมองคนอื่นว่าเขาจะมีข้อพิดรุษข้อจับผิดให้ฉัน ว่าร้ายใส่ร้ายเขาได้ไหมเพื่อที่จะชี้ว่าเขานี่ไม่ได้เก่งกว่าฉันเขาไม่ได้ดีกว่าฉันเขาไม่ได้เพ่งกว่าฉันนะอันนี้ก็เลยกลายเป็นกลายเป็นเสียไปนะเกิดแทนที่จะทําแล้วมีความผ่อนคลายเห็นแก่ตัวน้อยลงนะนะกลับมีความเป็นกก่ตัวมากขึ้นมีความเครียดมากขึ้นมีความทุกข์มากขึ้นอันนี้เรียกว่ากุศลธรรมก็พาไป ให้เกิดอากุสรัตธรรมได้หรือแม้กระทั่งความสงบนะซึ่งใครก็อยากได้แต่ถ้าอยากได้แล้วเกิดปยึดติดถือมั่นนะในความสงบนั้นเช่นเมืม่อวานปฏิบัติทำรรแล้วสงบมากแต่วันนี้ไม่สงบเลยเมื่อวานน้รู้สึกตัวดีมากวันนี้มันหลงเยอะก็เกิดความไม่พอใจ เกิดความทุกข์ขึ้นมาพยายามที่จะปลกปล้ปำบังคับจิตให้มันสงบให้มันรู้สึกตัวให้ได้มันก็ไม่ยอมก็ยิ่งบวมจิตให้พอใจมากขึ้นสนใจนึกถึงแต่ของดีหรือว่าความสงบที่ตัวเองเคยได้ความสึกตัวที่ตัวเองเคยสัมผัสแล้วพอไม่ได้ขึ้นมาก็จะขัดเคืองใจ บางทีพ่านโทษโน่นโทษนี่โทษดินฟ้าอากาศโทษผู้คนโทษเสียงดังนะเจตนี่การนิทนที่จะแทนที่จะแค่หลงเฉยๆคันนี้มันกลับมีพยาบาทมาีมีโทสะขึ้นมาอันนี้เราขาดทุนเลยนะแทนที่จะใช้ความไม่สงบนั้นให้เป็นประโยชน์แล้วเออมันก็มาสอนอะนุวัตอะไรก็ไม่เที่ยง มันไม่ใช่ตัวตนจิตนี้ของเราไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเลยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเออถ้าใช้ความสงบแบบนี้ใช้ความหลงให้มันเป็นประโยชน์แบบนี้ก็ได้กำไรทำให้เกิดความไม่ประมาทมากขึ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดเอ่อเกี่ยวข้องกันไม่ถูกต้องนะมันก็ทาให้เกิดความทุกข์ทำให้เกิดความไม่พอใจผู้อื่นหรือบางคน อยากได้แต่ไม่เคยได้เลยหรือก็ได้น้อยมากก็มีความทุกข์อยู่เหมือนกันในสาวพฤตการนี่มีพระหลายรูปทีเดียวนะที่ฆ่าตัวตายเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองมาบวชแล้วไม่ได้อะไรความสงบเลยบางท่านมาบวช7ปีบางท่านบวชยี่สิปีนะบอกว่าไม่ได้รับความสงบเลยอย่งคนนึงเขาได้กันคนนึงเขามีกันทําไมเราไม่มี ที่จริงมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะ อ, อถ้าไปไปผิดวินะัยนะไปทำชั่วเนี่ยเ น, นี่ยเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าหลายท่านก็มีความทุกข์เรื่องนี้นะจนกระทั่งที่ว่าอยู่ไม่ไหวแล้วจะสึกก็อายเขาจะสืบ ก, ก็อายเขาท้อแท้ในการประพฤติมิตรประจันแต่ไม่ยอมสึกกลัวเสียหน้าเสียเหลี่ยม แต่ก็ทนไม่ได้นะที่ไม่ได้รับความสงบก็เลยฆ่าตัวตายแต่บอกว่าจิตมันพลิกตอนท้ายคือจิตได้เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นลงมือไปแล้วทุกขเวทนาเกิดขึ้นมีสติเห็นเลยว่าสังขารนี่มันทุกข์อย่างยิ่งมันไม่ นาะยึดติดถือมั่นเลยก็เกิดความเหมื่อยในสังขารจิตก็หลุดพ้นนะตอนที่กาลังจะตายนะไอตอนสบายๆนี่ปฏิบัติทรรไม่ไม่ไปนะแต่ว่าพอจะตายหรือว่าตอนที่มีทุกขเวทนามากกับก้าวหน้าในการปฏิบัติก็มีนะ น, นี้มันเป็นเรื่องที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรก็คือว่ามีสติในการ รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าอย่างที่พูดเมื่อวานนะถ้าถ้ามีสติตลอดเวลาที่หลงพ่อฉาพูดนะถ้ามีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเจอรูดรสกิดกเสียงสัมผัสมันก็เป็นธรร ม, มาไปหมดเหมือนกับว่าได้ฟังธรรมะของพระ เ, เจ้าแต่ถ้าไม่มีสติเสียจแล้วของดีๆเกิดขึ้นหรือว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมันก็กลายเป็นเสียกลายเป็นอกุศลได้ แล้วว่ า, ากุศลเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลความสอนครูของผู้เจ้าเนี่ยจะมีคำหนึ่งนะที่เป็นที่มีความสาคัญบางทีเราก็สวดนะพูดถึงคำนี้เหมือนกันคือการาธรรมนุธรรมปฏิบัตนะิคือการปฏิบัติสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมหรือบางทีก็แปลว่าปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยทรใหญ่มันหมายความว่ายังไรก็หมายความว่าธรรมะแต่ละข้อนี้มันก็มีจุดมุ่งหมายของมันเมื่อเราจะปฏิบัติเราก็ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายนั้นแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกนะเช่นทานเนี่ยนะก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อการลดละ ก, กิเลสถนะ้าใช้คาว่าทานเป็นเครื่องกำจัดความตนหนีถ้าให้ทานแล้วเนี่ย อยากได้นโนนอยากได้นี่อยากรวยอยากถูกหวยเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติไม่สมควรแก่ทำนะหรือว่าศีลเนี่ยท่านมีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิบัตใิให้เกิดสมาธิให้เกิดจิตที่เป็นกุศลเพื่อเป็นฐานให้กับปัญญาแต่ถ้ารักษาศีลแล้วไปดูถูกคนอื่นนะยกตมดยกตนขมท่านนะ หรือว่ารู้สึกเป็นทุกข์หงุดหงิดใจว่าทําไมเร า, าปฏิบัติได้ไม่เหมือนเขานะไม่ดีเท่าเขาเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ถูกนะเพราะศีลเนี่ยมีไว้เพื่อลดความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเรารักษาศีลดีแล้วก็ไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเพื่อไว้ปฏิสาทธ์ไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็เป็นฐานให้กับสมาธิได้ แต่ว่ารักษาสีแล้วเนี่ยเกิดมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจมีความรู้สึกไม่พอใจคนอื่นคขาเห็นคนอื่นตลอดเวลาดูถูกเขารูอิจฉาเขาที่เขาทำดีกว่าเราอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติไม่สมควรแก่ทำสมาธิก็เช่นเดียวกันสมาธิก็เป็นฐานใกิดปัญญา เป็นทยเกิดปัญญาเบื่อใจสงบแล้วใสแล้วก็จะเห็นความจริงได้ชัดเจนมากขึ้นเหมือนกับน้ําที่ใสเราก็มองเห็นปลาเห็นสาหร่ายเห็นหินในน้ําได้แต่ถ้าทําสมาธิแล้วก็อยากได้คนในวิเศษนะอยากทายใจคนได้อยากมีฤทธิ์อยากมีปัญญาอยากเห็นนิมิตอันนี้ก็ผิดละ หรือว่ามีความสงบรอดติดสงบฌานที่จะก้าวต่อไปเพื่อยกอจิตให้เป็นให้ขึ้นไปวิปัสสนาก็าหลงวนอยู่ในความสงบนั่นแหละมันก็ไม่ถูกอันนี้เรียกว่าปฏิบัติผิดเหมือนกันปฏิบัติไม่สมควรแก่ทมเพราะว่าไม่ได้พาไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างสันโดรก็เหมือนกันนะสันโดเนี่ย ก็ปฏิบัติผิดกันเยอะนะสันโดรก็แปลงง่ายว่าพอใจสิ่งที่มีกินดีสิ่งที่ได้รวมทั้งการอยู่อย่างง่ายๆนะไม่เรียกร้องไม่ต้องการอะไรมากมายนะอันนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อว่านะถ้าเราอยู่ง่ายกินง่ายนะเราก็ไม่เสียเวลาไปกับเรื่องการทำมาหากินหรือเรื่องการใช้สอยการบริโภค หมกมุ่นมัวมาอยู่การาเสพสุขนะยิ่งหมกมุ่นมัวมาก็ยิ่งต้องไปหาเงินมาก็เสียเวลาการหาเงินนะคนเดี๋ยวนี้เสียเวลาไปการหาเงินเพื่อมาผ่อนบ้านผ่อนรถนะผ่อนสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายจนไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาเข้าวัดไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่พนะู้นั้นคือไม่มีเวลาทําความดนะีที่มันสูงสูงขึ้นไป อันนี้เพราะการการที่เพิดเพลินกับการบริโภคนะไม่อยู่ง่ายไม่กินง่ายนีถ้าว่าถ้าว่าอยู่ง่ายกินง่ายนะไม่หลงในวัตถุนะอันนี้ก็ดีแล้วแต่ว่าพอไม่มีความใช้เงินวั น, ว, นวันหนึ่งทำงานไม่กี่ชั่วโมงหรือว่าอาทิตย์นึงทงานแค่ไม่กี่วันก็พอใช้ละ ปัญหาคือว่าเราทิ้ล้เวลาที่เหลือทําอะไรถ้าเวลาที่เหลือนั่งนั่งนอนนอนนี่มันก็ไม่ถูกนะนั่งเล่นนอนเล่นนี่ไม่ถูกหรือว่ามีเวลาเป็นเมาคนโน้ น, นคนนี้อันนั้นก็ไม่ถูกมันจะกลายทําให้ขี้เกียจได้เวลาที่เหลือควรจะใช้ในการทําความดีทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเช่นศึกษาธรมปฏิบัติธรรมหรือว่าทำเพื่อให้การส่วนรวมช่วยเหลือวัดวาอารามนะ ช่วยเหลือชุมชนหมู่บ้านอันนี้ถึงจะเรียกว่าปฏิบัติถูกดังนะันสิ่งที่จะช่วยกํากับสันโดษให้เป็นไปอย่างถูกทางไม่พาเข้าล็เข้าพงจนกระทั่งเกิดกิเลสมากขึ้นคือความขี้เกียจก็คือต้องมีวิรยิยะสันโดษกับวิริยะต้องต้องมาด้วยกันนะถ้ามีสันโดษแล้วขี้เกียจนี่แสดงว่าผิดปฏิบัติไม่สมควรแก่ทำแล้ จนต้องมีวิรยามากำกับวิรยิยะหมายถึงอะไรก็มีถึงความเพียรในการาทำความดีหาเงินพอใช้แล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลบ้างนะทำสมาธิภาวนาเจริญจิตปัญญาปัญญาภาวนาบ้างเาจริญจิตภาวนาปัญญาภาวนาบ้างาหรือว่าทำให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปรวมทั้งการช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้ อันนี้ก็ทําให้กุศลธรรมเจริญพอกเจริญ ง, งอกงามมากขึ้นที่จริงก็เป็นไปได้นะมีพระเสขะเช่นพาะริยาเจ้าหลายท่านพอบรรุธรรมแล้วก็พอใจเท่านั้นนะอันนี้พระเจ้าก็ตำหนินะว่าต้องขยันนะต้องไม่ประมาทต้องทําความเพียรให้มากขึ้นเพื่อให้บรรลุธรรมขั้นสูงในขณะพระรยาเจ้านะัน้นภาษาและกุตุชนยิ่งต้องทําความเพียรมากขึ้น สันโดษจะหมายถึงว่าขยันทำงานนะคือการทำงานก็ไม่ได้ลดยังทำงานอยู่นะแล้วเงินที่ได้มากมายทำอะไรก็เอาไปช่วยเหลือส่วนรวมไนงะมีเศรษฐีอเมริกันนะหลายคนนะเขารวยมากเลยรวยแบบมีเงินเป็นแสนแสนล้านแต่ว่าเขาอยู่อย่างสมถะมากอย่างคนนึงก็ ไม่มีรถขับนะไม่มีรถส่วนตัวขึ้นรถไฟนาฬิกาก็ใช้นาฬิการาคาถูก15หเหรียญลูกก็ก็ให้ลูกทำงานด้วยเรียนไปได้วยทำงานไปด้วยแต่เขาบริจาคเงินให้กับส่วนรวมไปแล้วเนี่ยหลายแสนล้านบาทประมาณ3าสล้านบาทได้2อสแสนล้านบาทนะก็เท่ากับ ทรัพย์สินของเศรษฐีที่รวยที่สุดในเมืองไทยคนต้นๆได้เลยเขาก็ทำแบบปิดทองหลับผ้ามา30มสปีแล้วเขาก็ยังขยันทำงานนะแต่ว่างเงินที่ได้เนี่ยเขาไม่ไดเอามาใช้ตัวเองหรือครอบครัวหรือลูกเขามาให้เพื่อส่วนรวมเงินที่ได้นเนี่ยช่วยเหลือบริจาคส่วนรวมโรงพยาบาลการกุศลต่างๆหรืออย่างเศรษฐีที่รวยอันดับ ต้นต้นของโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์นี่ขับรถเองไม่มีคนขับคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟน ก, ก็ไม่มีเขาก็อยู่บ้านหลังเดิมรถคันเดิมแต่เขาก็บริจาคเงินมาโหฬานมากนะเป็นล้านๆอันนี้ก็เลือกเขาก็มีสันโดษนะในแบบของเขาคือเขาใช้น้อยนะแต่ว่าขยันทำงานเพื่อเอาเงินนั้นมาช่วยเหลือส่วนรวมแต่จะดีถ้าเกิดว่าเอา เอาเวลามีเวลาว่างเพื่อที่จะได้ทำประโยชน์ตนได้เข้าถึงธรรมะที่สูงขึ้นไปด้วยในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องจับหลักให้ได้ว่าธรรมะแต่ละข้อเ น, นี่ยมีเป้าหมายอะไรนะมันเหมือนกับไม้ผลัดนะเป็นไม้ผลัดที่พาไปสู่ธรรมะข้ออื่นเช่นทานพาไปสู่ศีลศีพาไปสู่สมาธิสมาธิพาไปสู่ปั ปัญญาหรืออย่างอินทรีห้านี่ก็เหมือนกันนะอินทรียห้านี่ศรัทธานี่ก็เมื่อมีศรัทธาแล้วก็ทําให้เกิดวิริยะถ้ามีศรัทธาแล้วไม่เกิดความเพียร น, นะศรัทธาเราก็หลงเชื่ อ, อมีศรัทธานในครูบาอาจารย์ก็หรือว่าศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เลยหวังเชื่อการดนบันดาล ของส่งศักดิ์สิท์นะไม่มไมเกิดความเพียรนันนี่ก็เรียกว่าผิดศรัท ธ, ธาเป็นปัจจัยไปสู่วิริยะวิริยะมีความเพียรแล้วเกิดสติมีสติเสร็จก็สมาธิตามมาและสมาธิก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาเรียกว่ารับไม่ผลัดก็เป็นช่วงๆอันนี้ก็เ ป, เป็นเป็นเรื่องของการปฏิบัติสมควรแก่ธรรม หรือเข้าใจจุดมุ่งหมายของธรรมะแลวกระทั่งโพชงเจต เ, เนี่ยที่ถือว่าเป็นองค์ธรรมอย่างการตัดสูนี่เราก็ต้องรู้นะว่าองค์ธรรมแต่และข้อเนี่ยเขามีจุดเด่นจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนอยังไงบ้าง <Yeah. S 1> เช่นผู้จะตัดว่าเวลาเวลาใจฟุ้งซ่านเนี่ยนะก็ไม่พึงจเจริญธรรมวิจัยธรรมวิจัยคือ การใช้ปัญญาไขควรทรมาทรมาวิจัยก็ดีวิริยะก็ดีปิติก็ดีเนี่ยอย่าเพิ่งใช้เพราะใช้แล้วก็จะฟุ้งซ่านมากขึ้นต้องอาศัยสมาธิปัสสัทธิแล้วก็อุเบกขานะสามโพชชงเอามาใช้นะแต่ในตรงข้ามถ้าเกิดว่าเวลาที่เวลาเชื่ยเนื่อยนะ เวลาเฉยเนอเวลาซืมเนี่ยถ้าใช้สมาธิใช้ปัจจิตใช้อุเบกขานี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ต้องหันมาใช้ธรรมวิจัยธรรมวิจยะพิจารณาใกล้ควรทำต้องทำความเพียรให้มากขึ้นวิริยะหรือว่าอาศัยปิติเพื่อจะไม่เกิดกำลังหล่อเลี้ยงในการทำความเพียรนี่ขนาดพ่อชงเจนะซึ่งถือว่าเป็นองค์ธรรมการตัดสรเนี่ย ก็ต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลานะถูกสภาวะมีเฉพาะอันเดียวเท่านั้นที่ใช้ได้ทุกเวลาคือสติสติสัมโพชงนี้ใช้ในทุกเวลาไม่ว่าเวลาเวลากระตือหรือล้นเคลื่นขันแข็งหรือว่าถึงขั้นฟุง้งนซะ่านหรือว่าเวลาที่เฉยเนื่อยนะสงบตัวเฉยเนื่อยเนี่ยสติจะใช้ไดนะ้เพราะว่าสติช่วยทําให้อ่านะ เกิดความกระตือหรือล้นขึ้นมาในยามเฉยเหนื่อยก็จะเกิดความกระตือหรือล้นหรือถ้าเกิดว่ากระตือหรือล้นจนฟุ้งซ่านสติก็เป็นตัวชะลอเป็นตัวเบรกทําให้กลับมาเป็นปกติไดไ้เรื่องปฏิบัติธรรมสมควรกระทำในเตีงเป็นเรื่องที่สําคัญนะอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงล่วงเรื่องว่าความยึดติดในธรรมนะ ความยึดติดในธรร ม, มานี่ก็หรือยึดติดในความเห็นถ้ายึดติดเนี่ยไอสิ่งที่ดีก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีได้รู้พ่อเฟื่องโชติโก้ท่านพูดดีทนะั้งหความเหของเราแม่จะถูกแต่ถ้าเรายึดติดมันมันก็ผิดไป<น>ความเห็นก็ดีความดีก็ดีวัดปฏิบัติก็ดีแม้มันจะถูกแต่ถ้าเรายึดติดนะมันก็ผิดนะ ยึดติดก็คือว่าไปยึดติดจนเกิดทิฏฐิมานาขึ้นหรือคิดว่าฉันของฉันเทนานั้นที่ถูกของคนอื่นผิดอย่างเวลานี้ก็เห็นได้ทั่วไปแม่ใางในหมู่นักปฏิบัติธรรมในหมู่ชาวพุทธก็มีการทะเลาะเบาแหวงขัดแย้งกันเรื่องแนวทางการปฏิบัติแนวทางของฉันถูกแนวทางของแกผิดตอนนี้แม้กระทังในหมู่ที่อยู่ในแนวทางเดียวกันบางทีก็ มีความขัดแย้งกันว่าสำนักของฉันถูกวัดของฉันถูกหรือวัดของเธอผิดเวลาใครรู้ว่าคนอื่นเข้าไม่มาสำนักเราก็าไปสำนักของคนอื่นของครูบาอาจารย์ท่านอื่นแม้จะอยู่ในแนวทางเดียวกันบางทีก็ขุนเคืองใจนะอันนี้ก็เรียกว่ายึติดนะยุติดในแนวทางในสำนักว่าเป็นเราเป็นของเรายึติดแนวทางของเราสำนักของเรานะ ของเราถ้าเขาไปหาครูคนอื่นก็ไม่หาครูของเรานี่เราไม่พอใจนะอันนี้ก็เรียกว่ายึดติดก็กลายเป็นผิดไปได้นะต้องระวังนะทำผิดในสิ่งที่ถูกอเคยดีเห็นไหมทําผิดในสิ่งที่ถูกอันที่พูดมาทั้งหมดนี่แหละก็เพื่อเตือนว่าต้องระวังนะเพราะว่าถ้าเราทําผิดในสิ่งที่ถูกแล้วมันก็ก็เกิดปัญหาเกิดความผิดพลาดตามมา พรหมจรรยเป็นของดีแต่ว่าการบวชเป็นของดีแต่ถ้าหากว่ายึดติดถือมั่นหรือว่าใช้ไม่ถูกต้องปฏิบัติไม่ถูกต้องก็กลายเป็นผิดขึ้นมาได้อันนี้มันเป็นความเป็นความละเอียดอ่อนของธรรมะนะที่เราต้องเท่าทันนะอย่าให้ความดีอย่าให้ธรรมะนี่มันทำร้ายเราเลือดอย่าให้พระพุทธเจาลือย่าให้ความดีกับเจ้าของ ยึดติดความดีเมื่อไหนกัดเจ้าขอมได้กุศลธรรมก็สามารถพาไปผิดที่ปิดทางได้การถวางใจไม่ถูกอ่าละชานจริงกับพุกธธรํา น, นี้